เราจะเอามาเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรส่งจิตใจไปยึดไปถือสิ่งภายนอกในขณะที่เราทำความเพียรอยู่ต้องทวนกระแส จ, จิตกลับเข้ามาภายในมาเพ่ง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 บุคคลใดไม่มีสติวควบคุมจิตไม่เคยฝึกจิตใจมาแต่ก่อนแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะสำรวมจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ได้เลยจิตนี้ก็เลยหวนไว้ไปตามทุกขเวทนาหมดรืมเนื้อรืมตัวไม่ทราบว่าตนนั้นตั้งอยู่อย่างไร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 ต้องเตรียมตัวไว้เสมอผู้ดใดไม่เตรียมตัวไว้ถึงเวลานั้นมาแล้วมันจะไม่มีกำลังใจที่จะมาต้านทานต่อทุกขเวทนาต่างๆได้มีแต่ลอยไปตามมันเท่านั้นแหละเหมือนอย่างบุคคลพายเรือทวนกระแสน้ำขึ้นไปเบื้องเหนือ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 ไม่สามารถจะต้านทาน่ออมนาดของกิเลสตัณหาที่มันจะจูงใจให้ไปเกาะไปคล้องอะไรต่ออะไรอยู่ในโลกนี้ก็ฉันนั่นแหละให้พึ่งพากันเข้าใจเนี่ยเพราะฉะนั้นการฝึกใจให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลตั้งมั่นอยู่ในสติในปัญญานี่นะ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 มันจะไม่หวนไวไปตามทุกขเวทนาทางต่างนั่นมันจะนึกถึงความดีได้นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นึกถึงบุญกุศลที่ตนกระทา ม, มาได้เมื่อเราเคยรวบรวมบุญคุณเข้าไว้ในจิตใจนี้แต่เวลายังดีๆอยู่เนี่ย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 ถ้าไม่เตรียมตัวไว้เสมอไม่สะสมที่พึ่งอันประเสริฐไรในใจให้มันคงแล้วเวลาเช่นนั้นมาแล้วนะมันจิตใจนี่มันจะหลงไหลไปเมื่อไรก็ได้ลืมมันนะจะลืมตัวไปนึกถึงกุศลความดีอะไรก็ไม่ได้เลยเมื่อทุกข์ครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงแล้วนะ ยอมลมเมอไปตามทุกนั่นแหละเหมือนคนนอนหลับไหลฝันไปต่างๆนา น, นานธรรมดาคนนอนหลับไปนี่ไม่มีสติเลยสุดแล้วตั้งแต่สัญญาอารมณ์มันจะจูงไปยังไงก็เห็นไปอย่างนั้นแหละในฝันนั่นนะไม่ไม่นึกว่าเรื่องนั้นไม่ไม่ควรจะคิดไปมันก็คิด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 เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้นั้นก็ย่อมไปตามกรรมแล้วแบบนี้น ะ, ะจะตั้งจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณไม่ได้เลยสุดแล้วแต่กรรมมันจะพัดผันไปทางไหนอะแบบ น, นี้นั้นน่ะป่าขาดทุนทีเดียวถ้าผู้ใดมีจิตใจเป็นอย่างนั้นเวลาชจนจะตายน ะ, ะที่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 เราจากมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้ให้ได้ในปัจจุบันนี้นนแม้จะเจ็บไข้ไม่สบายอะไรมาไม่ถึงคราวจะร่มจะตายก็ตามเราจะต้องทำใจเข้มแข็งไม่ต้องย่อท้อต่อทุกขเวทนาอธิษฐานในใจว่าอย่างนี้เสมอไปทีเดียวแหละ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 ถ้ากลัวทุกขเวทนาเท่าไรจิตใจมันยิ่งฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณไม่ได้เลย น, นต้องให้เข้าใจอย่างนี้เพราะว่าทุกขเวทนาก็คือสังขาร น, นั่นเองมันถูกปรุงแต่งขึ้นเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงชั้นใดทุกขเวทนามันก็ไม่เที่ยงอย่างนั้นเลย มันมีเกิดขึ้นได้มันก็มีดับไปได้เหมือนกันก็ต้องกำหนดอย่างนี้ไอ้การที่จิตใจเราจะปวนปั่นวันไหวเน่เพราะเหตุว่ามันไปยึดเอาสังขารอันนั้นต่างหากถ้าหาว่าใจไม่ยึดแล้วใจนี่ก็ไม่เป็นทุกข์ไม่กวนกวายแต่อาการของสังขาร น, นั่นมันก็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 ตนก็ต้องอดต้องทนเอานั่นเลยถ้าไม่ต้องการอยากมาอาศัยสังขารเหล่านี้ก็ทําความเบื่อหน่ายเข้าไปอย่าไปกําหนัดยินดีอยู่ในรูปในกายอันนี้คลายความกําหนัดยินดีลงนี่ถ้าไม่อยากมาอาศัยทนทุกข์ทรมานอยู่กับร่างกายสังขารอันเนี้ย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 นี่เราก็มีสติเตือนใจอย่างนี้เสมอแหละถ้ามันเที่ยงมันก็จะไม่เป็นอย่างนี้อ่ามันก็จะไม่แปลปรวนไปมันก็จะคงที่อยู่แต่อันนี้มันไม่เที่ยงมันก็ต้องแปลปรวนไปตามการเวลาของมันนั่นแหละนี่เราก็ต้องเตือนใจอย่างนี้อยูอย่เสมอทีเดียวม เมื่อเราหมั่นเตือนใจอยู่เวลาปกติอยู่อย่างเงี้ยสติมันก็เข้มแข็งขึ้นสตินี่แหละเมื่ออบรมให้แก่กล้าเข้าไปโดยลำพังก็กลายเป็นญาณความรู้ยิ่งนั่นแหละมันกลายเป็นญาณความรู้ยิ่งขึ้นมาเลย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 อะไรเลยไม่สามารถจะรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองไม่สามารถที่จะแสวงหาความสุขให้แก่ตัวเองได้เลยธรรมดาคนบ้านะล้วอยู่ไปตามยถากรรมเท่านั้นแหละเมื่อหมดกรรมแล้วก็จึงมากระตายเท่านั้นเองส่วนคนที่ไม่เป็นบ้านั้นเป็นคนมีสติสััญญะอฉา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 สัตว์ต่างๆดังกล่าวมาเลี้ยวนั่นเนยเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้แหละพระพุทภาคเก่าของเราทั้งหลายจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้ตื่นตัวอยู่เสมอคำสอนของพระองค์นั้นคล้ายๆกับว่าปลุกให้เราตื่นอยู่เสมออย่างเช่นในอภินาหาปัจเวห้านั่นนะ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 ผู้ดใดสะสมกรรมอันไหนไว้กรรมนั้นแหละก็จะติดสอยห้อยตามไปทุกแห่งทุกคนจะไปอำนวยความสุขความทุกข์ให้ในที่ทุกสถานถ้าไปทำกรรมชั่วใส่ตัวไว้ยึดเอากรรมชั่วไว้กรรมชั่วมันก็นาไปสู่ทุกท่านั้นแหละมันจะมีอะไรอ่ะถ้าใจมันยึดมั่นในกุศลคุณงามความดีได้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 เป็นเครื่องบำเพ็ญบุญกุศลตลอดไปเลยไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืนเราจะต้องบำเพ็ญบุญกุศลตลอดไปอธิษฐานในใจอย่างนี้เสมอทีเดียวเมื่อรู้ว่าบุญกุศลของตนยังไม่เต็มยังบวกพล่องอยู่ผูใ้ใดตั้งจิตใจลงไปอยู่นี้เสมอเสมอนั่นท่านเรียกว่ากันลยานชน แลล ว, ว่าบุคคลผู้มีทมอันดีงามอยู่ในใจเสมอนี่หรือถ้าพูดชัดๆก็เลยบอกเป็นผู้มีกุศลธรรมอยู่ในใจเสมอใจไม่ได้มีอกุศลธรรมตั้งอยู่เนี่ยคำว่ากัลยาณนชนดังนั้นทุกคนให้ตื่นตัวเสมอไป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 เวลาท่านไปเกิดอุปสรรคความขัดข้องขึ้นในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งครั้งใดครั้งหนึ่งอย่างนี้ท่านจะอธิฐานใจถึงบุญญาบา ร, รมีที่ท่านได้สร้างสั่งสมอบรมมาเลยไม่่านไม่ได้อธิฐานนึกถึงพระอินทร์พระพรหมพยมพระบาลอะไรต่ออะไรให้มาช่วยเหลือตนถ่าไม่ได้นึกหรอก ถ้านึกถึงบุญบารมีนู่นนั่นแหละแล้วบุญบารมีนั้นหักไปเตือนใจพระอินทร์พระพรหมให้มองด้วยทิพพระเนตรลงมาเห็นพระองค์ท่านกําลังได้ประสบอุปสรรคความกัดข้องอย่างนั้นอย่างนั้น น, นั่นแหละพรญาอินทถึงจะลงมาช่วยให้เข้าใจอย่างนั้นคนส่วนมากมันไม่เข้าใจอย่างว่านี่นะพอทนได้ประสบ ความอุปสรรคขัดข้องภัยพิบัติอะไรมาแล้วไปนึกถึงอินถึงพรหมนู่นทันทีเลยนึกถึงเทวดาอินพรหมนู่นนั่นเอยแทนที่จะมานึกถึงบุญกุศลความดีที่ตนได้กระทา ม, มาหรือว่านึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ที่ตนได้นับถือเรื่อมใสเคารพกราบไหวบูชาอยู่เลื่อยมาอย่างนี้ไม่ไม่นึกแล้ว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 แท่นบรนดุกำพนศิลาอาจของพระยาอินนั่นแข็งกระด้างขึ้นในวันนั้นพระยาอินก็รู้ได้เลยว่าเอ๊ะมันต้องมีเหตุอันหนึ่งในมนุษย์โลกเนี่ยอย่างนี้แหละก็เล็งทิพเนตรลงมาเนี่ยก็เห็นเลยอผู้ใดมีบุญวาสนาซึ่งไปเกี่ยวข้องกับพระยาอินละพระยาอินก็รู้ได้เลยอเป็นอย่างนั้น เมื่อพระยอินรู้ได้อย่างนั้นพระยอินก็ลงมาช่วยนี่อันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่บุคคลมองเห็นได้ยากแต่ที่นำมาพูดนี่ก็เพราะเหตุว่าคนทั้งหลายนั่นมักจะมีสติฟั่นเฟือนอหลงละเมอนึกถึงแต่เทวดาอินพรหม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 อย่างชำนิชำนาญมาท่านก็จะนึกถึงสังขารร่างกายนี่เลยจะต้องพิจารณาความจริงของร่างกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นพกุกเป็นอนาตาัตตาไตรลักษณะญาณก็จะปรากฏแก่ท่านผู้เจริญวิปัสนาญาณอย่างนั้นเมื่อญาณสามนี่ปรากฏ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 ไปเกิดในโลกที่มันมีความสุขยิ่งกว่านี้เพราะว่าจิตมันเห็นโทษเห็นทุกข์แล้วนี่มันเบื่อต่อโลกอันนี้พอแรงแล้วแลวเรื่องอะไรมันเะวกมาเกิดอยู่ในโลกอันนี้อีกในวนัยนี้มันไม่มาแล้วบุญกุศลความดีที่กระทามามู่นั้นมันก็ส่งให้ไปเกิดในโลกอื่นนุ่น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 แต่ในโลกนี้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าบุญกุศลนั้นยังไม่เต็มบริบูรณ์ก็จึงยังบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานไม่ได้ก่อ น, นเมื่อบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็ต้องได้เกิดอยู่วันยังค่ำหละไม่อยากเกิดมันก็ต้องได้เกิดนี่เพิ่งเข้าใจสำหรับผู้มีปัญญาแล้วเอา ถึงจะเกิดอีกก็ขอให้เกิดดีมันก็ต้องอย่างนั้นคนมีปัญญานะมันต้องตื่นตัวเอาละเมื่อรู้ว่าเรายังจะต้องเกิดอีกอยู่ก็ขอให้เกิดดีเราจะชาระตนให้สะอาดเลยในเวลาที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยเราจะไม่ยอมทาความชั่วเราจะไ ม, ม่ยอมปล่อยตนให้ตกไปในที่ชั่วที่ต่า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 มันก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้แหละไม่ต้องสงสัยเลยท่านผู้บรรลุมรรคธรรมวิเศษทั้งหลายส่วนมากก็ได้มาอาศัยธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าอันเป็นมนุษย์นี้เองอลองสังเกตดูนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าน่นะเป็นต้นลงมามก็ได้อาศัยขันธ์ห้านี้เองเ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 เอาเมื่อเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยลงมาก็ไปหาหมอเสียฝากชีวิตทีวาไว้กับหมอเอาให้หมอช่วยเยียวยารักษาให้ อ, อย่างนี้เลยเมื่อหมอวางยาวางยาเข้าไปเมื่อยามันถูกกับโรคมันก็ทำให้ทุกขเวทนาบรรเทาลงในที่สุด โรภคภัยไข้เจ็บนั้นหายไปก็ถือว่าตนมีความสุขสบายแล้วก็นอนใจแล้ววันนี้นะไม่ได้คิดว่าโราคไัยไข้เจ็บนี่มันมีเท่านี้เหรอไม่มีเท่านี้ต่อไปมันอาจเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ไม่ได้คิดแล้วไม่ได้เตรียมตัวเป็นอย่างนั้นแหละคนส่วนมาก คนที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เพ่งพิจารณาร่างกายสังขารนี่บ่อยๆแล้วเวลาร่างกายสังขารนี้เป็นปกติก็ลืมตัวแล้วบ้านี้เผลอเมาเวลาร่างกายนี้วิบัติลงเอาแล้ว ว, วันนี้เป็นทุกข์เดือดรอ้อนนะกลัวตายก็กลัวตายกวลกวังวัยไม่ได้สติ ส, สัมปชัญญะอะไร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 ธรรมดาจิตใจของสัตว์เดรัจฉานนั้นมันจะไม่นึกคิดอย่างมนุษย์เราเลยอ่อมีแต่มันนึกคิดอยากจะไปแสวงหาอาหารมา ก, กินแล้วก็นึกคิดจะไปเที่ยวท่องเสพกามคุณไปตามธรรมชาติเท่านั้นแหละมีเท่านั้น เ, นนเองอือความประสงค์ของสัตว์เดรัจฉานนะน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 แต่คนเรามันริืมตัวสิปา น, นี้นะมันมองไม่เห็นคุณค่าแห่งขันห้าอันนี้ไปใช้ขันห้านี้ไปทําบาปเข้าไปอย่างนี้นะใช้ขันห้านี้ไปฆ่าสัตว์ไตลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกรรมออใช่วาจาไปพูดเท็จพูดเรื่องไม่จริงหลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติปื่นเอาเพลงของตนด้วยวาจาอันไม่จริงไม่จังมูนี ไปเที่ยวพูดสอเสียดยุยงให้คนอื่นแตกคราสามคีกันอา้าวใช่วาจาไปพูดคำหยาบรน้นพูดเสียบแทงให้ผู้อื่นเจ็บอกเจ็บใจพูดเพ้อเจ้อเลวไหลหาประโยชน์อันใดไม่ได้ใช้กายอันนี้ไปดื่มของมึนเมาต่างๆ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 ไม่รู้ตัวเลยคนแซงซ่องเสพของเสพติดไโทษต่างๆเหล่านี้นะจิตใจนั้นไม่ดีเลยไม่เป็นปกติเลยเรียกว่าจิตใจฟันฟ่นเฟือนก็แล้วกันแหละเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ยังไม่ได้ซ่องเสพของเสพติดเหล่านี้ก็ให้สังวรระวังตนไว้อ่ ถ้าอยากมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะถ้ารักตัวนะกลัวต่อความทุกข์ความยากลำบากแล้วนะไม่ควรจะตกเป็นทาสแห่งตันหาในของเสพติดไทโทษต่างๆมูนี้นี่ละขันห้านะบุญกุศลตกแต่งให้มาแล้วถ้าเราใช้เป็นแล้วดีจริงๆนะ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 การเรากราบเราไหว้วหมดนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญได้กุศลได้บุญได้กุศลบางคนไม่เข้าใจบางคนก็เข้าใจเพียงแค่ว่าได้บุญได้กุศลแต่กราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นแหละไหว้อย่างอื่นไม่ได้บุญกุศลอย่างนี้ก็มีน ะ, ะเมื่อเรานึกถึงว่าสิ่งนี้มีคุณ ต, ต่อเราสิ่งนี้เราควรเคารพ บ, บูชา เมื่อนึกได้อย่างนี้เร า, เรากราบเราไหว้เราสักการบูชาลงไปเ่ะได้บุญได้กุศลทางนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปทํากายนี่ให้แข็งกระด้างกระเดืองมันจะแตกกระดับอยู่แ ล, แล้วเราจะไปแข็งกระด้างทําไมอะ่ะใช่มันทําความดีเข้าไปสี่ใช่มันประกอบกุศลลกิจต่างๆเละอืย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 เลี้ยงอัตภาพตัวเองก็ไม่เพียงพอคนเกียดคล้านทำการงานเกียดคล้านศึกษาเราเรียนวิชาความรู้นี้ถ้าเป็นพระภิกษุสามเณรมวดเข้ามาแล้วก็เกลียดค้านศึกษาเราเรียนธรรมวินัยแล้วก็เกียดคร้านฝึกผลอบรมกายวาจาใจของตนให้ตรงต่อศีลตรงต่อสมาธิ ตรงต่อปัญญาเช่นนี้แล้วภิกษุสามเณรเหล่านั้นก็ไม่มีคุณความดีอะไรอยู่ในตัวขันท้งห้าอันนี้ก็จะไม่เป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามรรคผลรมอวิเศษอะไรได้เลยมัวแต่เกียคลานมัวแต่เพลิดเพลินมัวแต่ตกเป็นทาตแห้งแขงกิเลสตัณหาแล้ว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 ถ้าตนไม่ตั้งใจลงอย่างนี้เนะี่ยมันก็รักษาสินไม่ได้เลยจะเป็นสินห้าก็ตามสินแปดก็ช่างสินของสามเณรก็ตามสินของพระภิกษสุสงฆ์ก็ตามแหละมันมีไม่ได้ถ้าตนไม่ตั้งเจตนาลงอย่างว่านั้นน ะ, ะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตั้งเจตนาลงให้ดี ให้แนวแน่ในใจเลยทีเดียวไม่ต้องลังเลไม่ต้องย่อท้อว่าสินนี่มีมากมายเหลือเกินเราจะทำยังไงเราจะรักษาไหวเราจะรักษาได้หรือไม่ควรไปวิตกอย่างนั้นถ้าว่าบุคคลไม่สามารถที่จะทำได้แล้วไซพระาศาสดาไม่ทรงแต่งตั้งบรรยัติไตรดอกอเรื่องหมูนี้นะ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 หมู่นี้นะมันใครจะไปทาให้ใครได้นะลองคิดดูสิตัวเองเนะี่ยต้องทําให้แก่ตัวของตัวเองนะอการสารวมใจอยู่ตลอดเวลานะ่นั่นแหละเรียกว่าเป็นการรักษาสมาธิไม่ให้เสื่อมนี่เมื่อสมาธิไม่เสื่อมปัญญามันก็ต้องมีอยู่เรื่อยไปเนะอมีเรื่องอะไรมาถึงเข้ามันก็กำหนดรู้ได้มันก็เห็นได้มันก็รู้เท่าเอาทัาน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 หูได้ยินเสียงก็ยินดีินร่ายไปตามเสียงจมูกได้สูดกลิ่นก็ยินดียินร่ายไปตามกลิ่นนั้นๆลิ้นได้รับรสอาหารอะไรก็ยินดียินร่ายไปตามรสนั้นกายได้สัมผัสเย็นร้อนกอ่อนแข็งอะไรก็ยินดียินร่ายไปตามสัมผัสนัน้นๆนี่การที่เราไม่ฝึกขนอบรมสมาธิปัญญา ให้ตั้งอยู่ในใจเสมอไปแล้วมันจะหลงไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันจะเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไปเลยอ่าเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามีสมาธิมีปัญญาประจำอยู่กับใจแล้วมันจะเห็นกรงกันข้ามนะมันจะเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเกิดแล้วแปรปวนแตกดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราแล้ว